7. ป็ปทะโสธรรมสมุดฐาน 264. ป้ปทะโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการสอนให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทบทอัญยตระสิกขาบทว่าด้วยภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 ถึงคำเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ อสัมมะตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุไม่ได้รับแต่งตั้งสั่งสอนภิกษุณีอัดถังขตสิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัดสดงแล้วติรัชานวิชาสิกขาบทสองสิกขาบทว่าด้วยการเรียนดิรัชานวิชาและว่าด้วยการสอนดิรัชานวิชา อโนกาสะปุจฉาสิกขาบทว่าด้วยการถามปัญหาภิกษุโดยไม่ขอโอกาสรวมสิกขาบทเหล่านี้เป็นเจ็ดสิกขาบทเกิดทางวาจามิใช่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางจิตเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกายทุกสิกขาบทมีสองสมุดฐานเหมือนปร ะ, ะโสธรรมสิกขาบท ปทัโสธรมรมะสมุทฐานจบ